ทวสวัสดีค่ะเท่า ฟ, ฟังที่เคารพคะรายการสัสนิษฐานท น, านะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm หนึดิฉันสันนิษฐานาพงษ์ดำเนินรายการมีพระมหาภบูบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเรียนอยู่ที่นั่นมาเป็นผู้ให้ธรรมะกับพวกเรานะคะในช่วงต้นของรายการจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราไม่ต้องไปถึงวัดแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีได้ เราไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ไพบูรณ์กันเลยแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกันไปนะคะนมัสการกันท่านคะเจริญบานเราเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมก็คือการปฏิบัตินั่นเองวิธีการที่จะทําให้เสียงที่เราได้ยินผ่านที่เข้าไปในทางหูของเรารับรู้ผ่านทางสมองทรงจำเอาไว้เข้าไปสู่ในใจของเราได้นั่นคือการตั้งสติขึ้นนั่นเองวิธีการที่เราจะตั้งสติขึ้นนั้นก็คือให้เรามาระลึกรู้อยู่กับลหมหายใจ ก็รื่องมือที่เราใช้นี่ก็คือใช้ลมหายใจนั่นแหละวิธีการนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอานาปานสติอานาปานะก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสตินั้นคือการระลึกได้ระลึกถึงลมหายใจนั่นเองแต่ลมหายใจนั้นจะระลึกถึงได้อย่างไรก็ใช้จิตของเราในการระลึกถึงถึงแม้จิตของเราเองก็ตามมันไม่ได้เป็นรูปร่างรูปทรงที่แข็งจับตั้งไว้มันก็ตั้งอยู่งั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นลมหายใจของเราก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นรูปร่างรูปทรงที่แข็งมันจะไปจับตั้งไว้อยู่ไงมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเราจะทํายังไงให้2 อ, อย่างที่มีรูปร่างไม่คงที่คงตัวเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นได้ให้มันมาอยู่ด้วยกันเราก็จึงต้องมีจุดในการที่เราจะให้มารับรู้ซึ่งกันและกันจุดตรงนี้คือบริเวณไหนก็คือบริเวณที่เป็นต่างเข้าต่างออกของลหมหายใจนั่นเองพระพุทธเจ้าใช้คาว่าปริมุก ข, ขังคําว่ามุกนี่หมายถึงต่างเข้าต่างออก บ ร, ริเวณนี้คือบริเวณบริเวณทางเข้าทางออกอย่างตามอาการสถานที่ต่างๆที่เราเห็นว่าเขาทําเป็นหน้ามุกยื่นออกมาเป็นลังกายื่นออกมาเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าต่อตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกเช่นเดียวกันบริเวณหน้าของเราแต่มันมีที่ยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือจมูกนั่นเองจมูกของเราเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากหน้าเพื่อให้รู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจก็เคยเรามารับรู้ ถึงลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกนั่นเองเรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ที่ตำแ ห, หน่งไหนให้จิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสมบัตินี้อาจจะแรงบ้างอาจจะเบาบ้างเห็นได้ชัดเจนหรือเห็นได้ค่อยก็ตามให้เราใช้เอาเป็นประมาณเฉยๆไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าต้องเข้ามาเท่านี้จากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรหรือนอที่เป็นเท่านี้ตารางเซนติเมตรไม่ต้องไปถึงขนาดนั้น แต่ให้เอาเป็นประมาณในการที่เราจะตั้งจิตาวายทรงจิตาวายเมื่อเราตั้งจิตาวายทรงจิตาไวายได้อย่างนี้แล้วลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อลมหายใจมาอยู่กับจิตจิตมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือสติพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวารหรือว่ายามที่บางทีเขามารับหน้าที่แล้วเขาก็มาอยู่ที่บริเวณป้อมยามหรือบริเวณประตูสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความปลอดภยัย ที่จะเกิดขึ้นกับสถานที่อย่างนั้นเกิดขึ้นกับบริเวณนั้นเนื่องเพราะว่ามียามเฝ้าอยู่เช่นเดียวกันจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสติที่จะทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับจิตนัตนเองสตินี้จะทําหน้าที่รักษาจิตรักษาอย่างไงก็อย่างเช่นเวลาที่เรามีความคิดนึกหรือเวลาที่เราได้ยินเสียงใดสัมผัสใดๆก็ตามที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจิตที่มีสตินั้นจะรักษาคุ้มกันจิต จิตที่มีสตินะสตินี้จะรักษาคุ้มกันจิตไม่ให้ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นในภาษานั้ น, น, นเวลาที่มีภาษามากระทบเช่นเสียงที่ไม่น่าพอใจหรือเสียงที่น่าพอใจแต่มันทําอันตรายจิตได้ตรงที่ว่าเสียงที่น่าพอใจก็จะทําให้เรารุ่มหลงเพลิดเพลินไปนะถูกเสียดแทงด้วยตรงนี้นี่คืออำนาจของราคะมันเสียแทงตรงไหนก็คือเวลาที่ทามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะมีความทุกข์ราคะมันจะทําให้จิตวุ่นวายอย่างนี้ หรือว่าถ้าเสียงที่ไม่น่าพอใจมากระทบก็ เ, เปิดเพลงที่เราไม่ชอบมีความไม่พอใจเป็นโทสะใช่ไหมมันก็จะเผาผลานทําให้จิตแบบมากมีอารมณ์ไม่พอใจเป็นความร้อนอันนี้มันทําให้เราทุกข์ตรงนี้แต่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตของเราก็จะขึ้น ข, นขนลงลงตามสิ่งนัน้นนี่คือถ้าไม่มีสติรักษาแต่ถ้าจิตของเรามีสติตั้งเอาไว้คุ้มกันเอาไว้การรับรู้มีอยู่แต่ว่าไม่เข้าไปเกลียดกลัว แตพอไม่เข้าไปเกลือกลัว้วรับรู้อยู่กิเลส ก, ก็เกิดไม่ได้นต่มีภาษาอยู่แต่ว่าไม่มีความรู้สึกตัณหาขึ้นลงไปตามสิ่งนี้มากระทบสตินี้จะเป็นตัวที่ป้องกันเป็นตัวที่ระวังภยัยเป็นตัวที่เหมือนกับนายตวานที่เฝ้าประตูไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเป็นศัตรูเป็นข้าศึกผ่านเข้ามาให้แต่สิ่งที่ดีแเราฟังธรรมะเป็นความรู้ความเรียนเป็นสติตั้งขึ้นผ่านเข้ามาในใจของเรา แต่การฝึกนี้เป็นการการะทําที่เป็นลักษณะของทักษะและเราฝึกกระทําอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะในขณะที่ฟังธรรมหลับตาลืมตาขับรถโดยสารรถโดยสารหรือว่าทํางานอยู่เราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้โดยตลอดแต่ฟังธรรมนี้ทําด้วยกันไปด้วยเลยก็ได้เชนพานสาธุค่ะนะคะก็ค่อยๆทํากันไปสามารถฝึกได้ตลอดเวลาดังที่ท่านพิบูนได้กล่าวไว้แล้วนะคะเชนพานเมื่อวานนี้ ได้กลับเรียนท่านพิบูลถึงปัญหาของสุภาพสตรีที่ถูกทอดทิ้งเป็นซิงเกิลมอมแล้วก็บอกมีความทุกเวลาที่ไม่ได้ทำงานจะนึกไปถึงเรื่องของความทุกข์เหล่านั้นก็อยากทราบวิธีเหนียมนาจเหนือจิตท่านพิบูลก็ได้แนะนำไปแล้ววันนี้ท่านจะกล่าวเพิ่มเติมก็อยากจะ กลับเรียนถามท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรคะที่ท่านจะเพิ่มเติมคะ่ะที่คุณโยมติออธิบายเมื่อวานถึงว่ามันจะมีขันห้าใช่ไหมก็หมายว่ารูปเป็นนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยคือส่วนที่เป็นวิญญาณนี่คือจิตถูกไหมที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ให้จิตเนี่ยมารับรู้อยู่กับลมในที่นี้ก็คือเรื่องของรูปถูกปะพอจิตมารับรู้อยู่กับลมที่เป็นเรื่องของรูปแล้วไอสังการการปรุงแต่งอะไรเราทําไปทําไปเนี่ยมันจะค่อยเบาลงลดลง แต่ทีจิตของเราจะไปเข้าไปรู้ในสัญญาสังขารมันก็จะน้อยลงน้อยลงแต่จริงๆการทําตรงนี้นี่คือการอธิบายที่สามารถอธิบายได้อันนี้ก็ถูกอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้ในในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คําสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะอธิบายคือการที่เราบอกว่าจิตให้ไปอยู่กับรม่มคือการทํางานตรงนี้ถ้าจะอธิบายกันจริงๆเนี่ยการกระทําการทําทงานตรงนี้คือสตินั่นเองสิ่งที่ควรจะอธิบายคือเรื่องของมาร์นั่นเองเพราะว่า มาร์เนี่ยคือการที่เราจะต้องกระทําให้มากๆกระทําอะไรกระทำะไม่มีสตินั่นเองแต่กระทําให้มีสติกระทําให้มีศีลกระทําให้มีการทําจริงแน่ๆจริงเป็นวาญมะแต่คือมันจะเป็นคนระเรื่องกันคุณยมเทียนนึกออกนะ<ะ>คือขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่เป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นที่รวมของตัณหาด้วยแตตัณหาอุปทานเนี่ยจะเกิดในสิ่งไหนไม่ได้เลยนอกจากขันห้โอเคอันนี้เป็นบุจน์อยู่ด้วยนะ อุปทานคือความยึดถือเนี่ยจะไม่เกิดในสิ่งอื่นนอกจากขันห้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาละออุปทานความยึดถือคุณก็จะต้องมาทําตรงเนี้ยทำตรงขันห้าเนี่ยแล้วจะทํำยังไงก็ต้องเจริญมาร์กแการเจริญมาร์กแก็ต้องเจริญตรงขันห้านี่เหมือนกันเดีนะ๋ยวจะไปทําที่อื่นไม่ได้ก็ต้องทําตรงขันห้านี่แหลนะแต่ว่าไอ้กิจมันคนละเรื่องกันไงเดมาร์กนแะต้องทําให้มากๆเพราะฉะนั้นการที่จะอธิบายถึงเรื่องของการปฏิบัติ ไม่ว่าจะจากแง่มุมใดๆก็ตามควรจะต้องอธิบายจากแง่มุมของมาร์กแปดแต่คว่าจากแง่มุมใดๆก็ตามเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าคุณจะพูดถึงเรื่องของการตั้งสติเรื่องการทําความเพียรคุณจะต้องพูดมาที่จากแง่มุมของมาร์กแดถึงจะถูกแต่ส่วนเรื่องของมาร์กแปดจะไปปฏิบัติที่ไหนล่ะก็ต้องปฏิบัติที่ขนัน่านั่นล่ะแต่เราก็ใช้กายใช้ใจของเราในการทําแต่กิจที่ควรทําเนี่ยมันจะคนละอันกันนะ เรื่องของกายเรื่องของใจคือขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทําความกําหนดรู้พระพุทธเจ้ า, ชาใช้คํานี้นั่นคือกําหนดรู้แต่ในขณะที่เรื่องของมกักจะต้องใช้การทําให้มากๆากทำให้เจริญอันนี้ก็ใช้อีกคําหนึ่งคนละคํากัน ค, คือคือหมายความว่าถ้าคุณโยมติ๋วจะเอาเรื่องของการปฏิบัติโดยเอาขันห้ามาอธิบายเนี่ยบทปเพลงชนะนนจะไม่เนี้ยบเท่ากับเรื่องของการปฏิบัติโดยเอามักแ8ดมาอธิบา ย, ยางไง อ, อ๋อค่ะเชิญผ่านนะคะ แต่ที่แน่แน่ที่ฉันคิดว่าอ่าคุณใครก็แล้วแต่ที่มีความทุกข์พระพุทธองได้ตรัสเรื่องมรรคแปะเอาไว้ว่าเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ถูกต้องถ้าคิดว่าเราเป็นสาวกของพระาศาสดาคือพระพุทธองค์ก็ลองทําตามดูนะคะรับรองไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้อืมกบ้านมีคําถามอีกแล้วนะคะ เป็นคําถามคุณแคทโลคอลบอกว่า mm hmm. เพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดํารงอยู่ mm hmm. เพราะดํารงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดี mm hmm. เพราะยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุง้ง mm hmm. เมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ยกพุทธพจน์มากราบนำ้ำมการพระอาจารย์ขอเรียนถามจากพระสูตรข้างต้นคำว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่คำถามมีว่าจิตดำรงอยู่กับอะไรดำรงอยู่อย่างไรดำรงอยู่กับสติใช่หรือไม่มหมายความว่า จิตรู้แจ้งอยู่กับสติตลอดเวลาใช่หรือไม่ความเมตตาพระอาจารย์อธิบายประสูตรข้างต้นโดยละเอียดด้วยนะคะและขอเรียนถามอีกว่าสภาวะจิตของผู้บรรลุนิพพานแล้วเป็นอย่างไรดำรงอยู่อย่างไรจิตตั้งอาศัยอยู่ในขันใดหรือไม่มตาบขอบพระ ค, คะุณค่ะโอเคในประสูตรนี้ที่ว่าขึ้นต้นด้วยว่าพระจิตหลุดพ้นแล้วจิตจริงดำรงอยู่เนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องเริ่มต้นนี่คือคือคุณแคทโลโคนที่ตัดมา นะเรื่องเริ่มต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงเรื่องขันห้าก่อนขันห้าที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยนะก็คื อ, คอรูปเวทนาสัญญาสังกาญวิญญาณเนี่ยสมมุติว่าเราได้ยินเสียงเสียงน ะ, ค, ะคุณเห็นเสียงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นเสียงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างเงี้ยเห็นด้วยความเป็นแบบนี้แล้วจิตจะหลุดพ้นแล้วจิตจะหลุดพ้นหลุดพ้นในที่นี้หมายถึงหลุดพ้นจากอะไรก็คือหลุดพ้นจากขันห้านั่นเอง นะในคําถามที่ว่าจิตหลุดพ้นแล้วคำนามคือหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากขันห้าหลุดพ้นได้ยังไงเพราะร ค, คุณเห็นโดยตามที่เป็นจริงแต่พอมีการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วนี่คือขั้นที่1นึ่นะขั้นที่2สเต็ปสก็คือจะมีความหน่ายจิตนั้นจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วสเต็ปสก็คือจะมีความคลายกําหนัดสเต็ปสพอคลายกําหนัดแล้วจิตก็จะมีความหลุดพ้นอันนี้คือขั้นตอนที่4ว่าจิตหลุดพ้นเพราะสาเหตุผลลายเพราะสาคลายกําหนัด ก่อนคลากําหนักก็มีความหน่ายก่อนหน่ายก็มีการเห็นตามจริงก่อนเห็นตามจริงนู้นจิตคุณต้องเป็นสมาธิมาก่อนนะจิตคุณจะเป็นสมาธิได้คุณจะต้องมีการรักษาสีให้ดีมันเป็นขั้นตอนกันมาอ่ะพอหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากขันห้านะขันห้าหมายความว่าไงว่าหลุดพ้นจากขันห้านี่ก็ ค, คือหลุดพ้นจากการที่เราจะต้องเป็นไปตามอํานาจของมันมันจะมารัดรึงรบกวนให้ เราเป็นไปตามอํานาจของมันสุกบ้างทุกบ้างตามมันเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวนี้ก็เรียกว่าการพ้ในเีนี้ในพุทธพจน์ที่บอกว่าพ้นแล้วจึงดํารงอยู่เนี่ยดํารงอยู่ด้วยอะไรดํารงอยู่ด้วยอะไร <c oughs> อะไรหลักที่ทําให้มันพ้นก็ดํารงอยู่ด้วยอนั้นนั้นแหะจิตเนี่ยถามว่าจิตมันพ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าเราดูตามประสศุนี้นะ <c oughs> ก็คือพ้นมาด้วยอํานาจของมรรคจิตจะพ้นจากตัณหาราคาอาวิชชาได้เนี่ยกุณต้องเจริญมรรคนะคุณต้องทําให้มากๆ เพราะนั้นเวลามันพ้นกันมาเนี่ยก็อะไรที่ทำให้มันพ้นมาน่ะมันก็ดํารงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นที่คุณแคทโลก็บอกว่าดํารงอยู่ด้วยสติใช่หรือไม่คําตอบคือใช่อยู่แต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะมันมีที่กว้างไปกว่านั้นคําตอบที่กว้างไปกว่านั้นก็คือมร์นั่นเองสติก็เป็นส่วนหนึ่งของมร์นั่นแหละเพราะนั้นคําตอบที่คําถามที่ถามว่าจิตดํารงอยู่ด้วยอะไรคําตอบที่ถูกที่รครอบครอบคลุมก็คือดํารงอยู่ด้วยอํานาจของมร์นั่นเองสติก็เป็นส่วนหนึ่งของมร์นะ เนั้นคำตอบนี้ถ้าจะบอกว่าผิดก็ไม่ใช่หรอกก็ถูกอยู่ที่คุณแกล็ก็บอกว่าจิตดํารงอยู่ด้วยสติถูกอยู่แต่ถ้าจะให้ครบถ้วนก็คือดํารงอยู่ด้วยมรคนั่นเองเพราะว่าคนที่เขาบรรลุทำแล้วเนี่ยจะเป็นกระว่านก็ได้เป็นแม่ขาวแม่ชีเนี่ยรักษาศีลแท่านก็ต้องมีศีลศีลก็เป็นส่วนหนึ่งของมร์เพราะฉะนั้นจิตนั้นก็จึงดํารงอยู่ด้วยมร์นั่นเอง ค, คืออะไรที่ทําให้มันพ้นมาเนี่ยมันก็ดํารงอยู่ด้วยอํำนาจของสิ่งนั้น มรกแปดทำให้จิตนั้นพ้นจากขันห้าแต่พ้นจากตัณหานะขันห้าก็ไม่เป็นทุกข์ก็จึงดำรงอยู่ด้วยอำนาจของมรกแปดนั่นเองค่ะ อ, อ, อืมฉันถามเฉินนิดนึงค่ะเดียฉันสงสัยค่ะเพราะว่าจากตัวพระสูตรที่คุณแคท l o c a l ยกมานะ น, นะคะในช่วงต้นหรืว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่แล้วก็มาถามคำ ถ, ถามว่าจิตดารงอยู่กับอะไร ก็จิตหลุดพ้นแล้วจิตจะดำรงอยู่กับอะไรอะคะไอ้ที่ดำรงอยู่เนี่ไม่ใช่จิตถูกไหมคะแล้วว่าจิตไม่ดำรงอยู่แล้วอันนี้ในความเข้าใจของทย่ันถ้าอ่านตามพุทธพจน์นะคะโอเคค่ะคําว่าพ้นในที่นี้ก็คือคือวิมุตนะคาว่าพ้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าดับนะค่ะแต่ว่าพ้นคือคือพ้นจากอํานาจของการที่มันจะไปยึดถือในสิ่งนั้นไงค่ะแล้วถามว่าแล้วดำรงอยู่ได้อย่างไงแล้วอะไรที่ดำรงอยู่ ค่ะก็คือจิตนั่นแหละดำรงอยู่จิตที่แบบไหนจิตที่เป็นจิตประพัฒสอนนั่นเองจิตที่ว่าไม่ได้ไปมีสุขไม่ได้ไปมีทุกข์ตามสิ่งต่างๆโอเคนะจิตที่เป็นจิตประพัฒสอนนั่นเองจิตดำรงอยู่จิตของเราเนี่ยมันมีจิตประพัฒสอนอยู่นะคือคือตั้งแต่สัตว์นรกเลยสัตว์นรกที่ไปอยู่ในนรกเนี่ยก็มีจิตประพัฒสอนอยู่ในตัวในจิตของเขาอะนะ จนกระทั่ง<ะ>ถึงเทวดามนุษย์ทุกคนก็มีจิต ป, ประพฤติสอนหมดแต่ว่าจิตเนี่ยเศร้าหมองด้วยกิเลสในที่เป็นเป็นอ า, าการตุกตาจรมาในที่มันก็จึงต้องถูกให้มันลากขึ้นลากลงไปตามกิเลส ท, ที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองนั้นแต่ตรงนี้คําว่าหลุดพ้นแล้วก็จึงหลุดพ้นจากตัญหาราคาอาวิชชาหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเหลืออะไรก็เหลือจิตที่เป็นจิต ป, ประพฤตสอนไงแล้วมันดำรงอยู่ได้ย่งไง ก็ดำรงอยู่ด้วยด้วยมาร์กแไงอันนี้โอเคนะคําว่าหลุดพ้นนี่ไม่ใช่ว่าดับหายไปนะคําว่าหลุดพ้นนี่คือหมายถึงว่าพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากการยึดถือรัดเริงของกันนาโอเคที น, นี้ต่อมาว่าดํารงอยู่ก็จึงยินดีร่าเริงด้วยดีอันนี้อธิบายในตัวเองอยู่แล้วคิดว่าคงจะเข้าใจเพราะจิตยินดีร่าเริงด้วยดีเนี่ย ก็ไม่หวัดสะดุ้งคําว่าไม่หวัดสะดุ้งนั้นก็คือไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ๊อบปิชาเคยยกอุปมาณปไมัยเปรียบเทียบในเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับน้ําที่มาโดนกับใบบัวหรือดอกบัวน้ําที่มาโดนกับใบบัวหรือดอกบัวมันมันติดกันอยู่กันจริงแต่มันไม่เปื้อนกันถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นน้ำนั้นมัก็ระเหิดหายไปดอกบัวก็ไม่ได้เป็นยขราบอะไรแต่หรือเวลาที่มันใบบัวมันกลิ้งไปน้ํามันหยดออกไป มันก็ไม่ได้เปื้อนกันอันนี้ถ้าจะเปรยียบเทียบก็คือเปรยียบเทียบคู่ตรงข้ามถ้าสมมติว่าจิตยังมีกิเลสอยู่เนี่ยนะน้ำที่เป็นเหมือนกับภาษะมากระทบเนี่ยมันก็จะ เ, เหมือนกับน้ําที่หยดลงบนหญ้าคาพอน้ําหยดลงบนหญ้าคารากมันก็ยิ่งงอกลึกลงไปตัวใบตัวไหนมก็ยิ่งแผ่กว้างรากที่งอกลึกเนี่ยเหมือนอวิชาใบอะไรที่แผ่กว้างไปก็เหมือนกับตันหาแต่ถ้าจิตนั้น ผลแล้วด้วยอํานาจของมรค้นแล้วน้ําที่เป็นเหมือนผัสสะเนี่ยก็จะเหมือนกับน้ําที่หยดลงบนใบบัวก็จะไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันตั้ง5้านั้นนี่คือคําว่าไม่สะดุง้งแต่คำว่าไม่สะดุ้งนี่คือบางคนก็จะไปตีความว่างั้นถ้ามันจะาเอด้านหลังก็จะไม่ตกใจอย่างนั้นก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือว่าฟ้าผ่านี่ก็จะไม่ตกใจงั้นไม่ใช่งั้นแต่ว่าจะมีสติอยู่ตลอดเวลา นะเพราะว่าจํารงอยู่ด้วยมา8นั่นเองแต่ตอ น, นี้ร่างกายบางทีมันมี reflection ของมันนะเช่นว่าถ้าเอาคุณเอามือมาลูบอยู่ใกล้ๆหน้าเนี่ยตา ม, มันก็จะกระพริบทันทนะีหรือว่าถ้ามีใครมาทําเสียงดังๆมันอาจจะร่างกายอาจจะมีการสะดุ้งของการเกรงจากกล้ามเนื้ออันนี้มันมี reflection ของกล้ามเนื้อบางทีมันต้องแยกกันนะไม่ใช่หมายความว่าจิตใจเขาหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบซนะึ่งตรงนี้นะที่ถามคําถามมาบอกว่า ดำรงอยู่ด้วยอะไรนั่นก็คือด้วยมรรคแปดแล้วก็การที่ความว่าหมายความว่าจิตรู้แจ้งอยู่กับสติตลอดเวลาใช่หรือไม่อนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพระาะว่าจิตของบุคคลที่บรรลุธรรมเนี่ยนี่คือเรากำลังพูดถึงพระอาหารหันต์เลยนะบรรลุธรรมเนี่ยท่านก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาลท่านจะไม่หลงลืมสติมีจิตที่มีสติขณะหลับก็จะมีสติฝันก็จะไม่ฝันไปในเรื่องที่ เป็นในทางการปฏิบัติเบียดเบียน จ, จิตจะไม่มีนิวร์ประมีสติรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นเองเชติพาค่ะคือที่ฉันที่เรียนถามท่านเนี่ยในส่วนตัวสงสัยว่าถ้าตามความหมายจิตที่เคยได้รับการอธิบายว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนใช่ไหมคะทีนี้พอมาเห็นพระสูตรนี้จึงเข้าใจว่า เพาะจิตหลุดพ้นแล้วน่ะคือมีดวงที่หลุดพ้นไปแล้วอืมอ่าโอเคค่ะตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันอีกว่าคําว่าจิตก็ตามคําว่ามโนก็ตามคำว่าบิณญาณก็ตามเนี่ยส่วนที่เหมือนกันมันมีอยู่แต่คือลักษณะมันเหมือนกันแต่คำว่าลักษณะเหมือนกันหมายความว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่เหมือนกันเช่นเราบอกว่าของเหลวของเหลวนะมีน้ําำคือ h สอ o นะค่ะแล้วก็มีประหอด ปลอดนีก็เป็นของเหลวนะเป็นของเหลวแบบหนึ่งค so ือเราเห็นว่า hmm มันเป็นเหลวๆวะนะน้ํานี่ก็เป็นของเหลวเหมือนกันปลอดนีก็เป็นของเหลวเหมือนกันแล้วก็น้ําผึ้งแต่3าอย่างนี้ก็เป็นของเหลวเหมือนกันเราดูว่าเป็นของเหลวแต่ว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันคุณสมบัติไม่เหมือนกันของเหลวเหมือนกันก็จริงแต่ว่าน้ํานี่ไม่ได้ดูดไม่ได้ไปไปตามพลังแม่เหล็กอย่างงี้นะแต่ว่าไอ้ปลาดดีมันไปตามพลังแม่เหล็กอยู่ทีนี้ว่าที่เปรียบเทียบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยกตัวอย่าง ไอ้เจ้าคําว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยโดยพุทธพจน์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตก็ดีมโนมก็ดีวิญญาณก็ดีดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปแต่ไม่ใช่ดวงหนึ่งนะถ้าเราไปดูที่บาลีเนี่ยสิ่งที่ควรจะแปล ก, ก็คือดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนอันนี้คือท่านอธิบายเนี่ยคือมันมีคุณสมบัติแบบเดียวกันมีคุณสมบัติแบบเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นอันเดียวกันก็สมอย่างนี้ก็เป็นของเหลวเหมือนกันน่ะแต่ไม่เป็นคนละอย่างเพราะอะไร เพราะโดยรากศัพท์แล้วเนี่ยเรามาดูคําศับเนี่ยจิตนีมันมีรากสับมาจากคําว่าจิตธาตุซึ่งหมายถึงการที่มีสังสมความสังสมจิตเนี่ยมีธรรมชาติสังสมแต่ในขณะคําว่ามโนพระพุทธเจ้าเอาคําว่ามโนมาใช้เนี่ยเป็นลักษณะของอายตนะคําว่าอายตนะเนี่ยคือช่องทางในการที่จะไปรับรู้เช่นแสงนะก็ต้องมาทางตาเท่านั้นกูจะเอาหูไปรับแสงไปดูภาพเนี่ยมันไม่ได้ หรือว่าจะเอาหูไปริ้มรถเนี่ยมันไม่ได้รถเนี่ยต้องมาทางลิ้นเท่านั้นแต่เช่นเดียวกันไอ้เจ้ามโนเนี่ยมโนเนี่ยมันเป็นช่องทางที่จิตมันจะไปรับรู้รับรู้อะไรรับรู้ธรรมารมมันไม่ใช่อย่างเดียวกันคุณโยมตีวนันมาจะต้องอธิบายว่าจิตมโนวิ ญ, ญญาณไม่ใช่อย่างเดียวกันเราเอาเพิ่มไปอย่างหนึ่งไปจิตมโนวิ ญ, ญญาณและธรรมารมสี่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะเพราะอะไร เพราะมันต้องผ่านมาทางมโนมันต้องผ่านมาทางมโนเหมือนกับว่าเสียงเอาถ้าเสียงคนร้องเพลงเสียงคนทากับข้าวเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องผ่านมาทางหูเท่านั้นแต่เราจะไปบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกันมันไม่ใช่ไงธรรมารมณ์นี่ก็เหมือนกันธรรมารมณ์ความสุขความทุกข์เรื่องราวต่างๆเป็นธรรมารมณ์เข้ามาเนี่ยที่ที่จะมารับรู้ได้ต้องเป็นมโนแต่มโนเนี่ย คือเป็นคำที่พระปุริชาคมมากเลยนะท่านจะใช้คำนี้กับอายตนะภายในเท่านั้นแต่เพื่อที่จะบอกว่าเออจิตที่มันมาทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยมันมาทำหน้าที่วิญญาณในช่องทางไหนคือในช่องทางมนโนจิตไปทําหน้าที่วิญญาณในช่องทางไหนช่องทางหูก็ได้จิตไปทําหน้าที่วิญญาณในช่องทางตาก็ได้เหมือนกันเข้าใจไหมเพราะว่าพรนจิตเนี่ยคือสิ่งที่มีธรรมชาติสั่งสมไง สั่งสมอะไรสั่งสมบุญสั่งสมบาปสั่งสมกรรมนั่นเองอะมันสั่งสมได้ไงก็ไปตามการรับรู้วิญญาณนะั้นไปการรับรู้รับรู้ผ่านทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนโนรับรู้อะไรก็รับรูรปเสียงกลิ่นรสและธรรมารมเพราะันมันคนละอย่างกันโอเคนะอ่า เพรา ะ, ะนั้นคำว่าจิตในที่นี้หมายถึงจิตที่มีธรรมชาติสั่งสมสั่งสมบุญสั่งสมบาปสั่งสมคำได้สองมันไปทําหน้าที่วิญญาณไปทําหน้าที่วิญญาณวิญญาณจึงเป็นคําที่อธิบายการทํางานของจิตนี่คือโดยร่างสรรเลยนะภาษาบาลีเนี่ยกำลังอธิบายภาษาบาลีนะเนี่ยออว่าจิตมีธรรมชาติสั่งสมสั่งสมบุญสั่งสมบาปนะวิญญาณนี่คือการทําหน้าที่ของมัน วิญญาณแปลว่าการรับรู้รเป็นการทําหน้าที่ของมันโอเคไปทําหน้าที่ในอะไรช่องทางช่องทางคือมโนคําว่ามโนเนี่ยหมายถึงช่องทางที่จิตนั้นจะไปทําหน้าที่ได้อะไรล่ะที่มันจะไปรับรู้ก็เสียงรูปรวมถึงธรรมารมด้วยนี่เป็นอย่างที่4เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอย่างกันมันมันไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มีธรรมชาติที่ เหมือนเหมือนกันเกิดได้ดับได้อันนี้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นโอเคเ okay. อ่อเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระจิตหลุดพ้นแล้วจึิงดำรงอยู่หลักคำว่าจึิงดำรงอยู่นั่นก็อย่างที่จะอธิบายไปนะไม่ใช่ว่าเป็นคนละอันเดียวกันแ ต, แต่ว่ามันเป็นคนละอันกันนะคือไอ้ที่หลุดพน้นหลุดพ้นไปไอ้ตัวอยู่เป็นอีกตัวถูกไหมคะหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากราคาตัวสามโมหะค่ะอ่า ไม่ไม่<ต>ไม่ใช่ว่ า, <ต>วาคือแต่ว่าเมื่อหลุดพ้นไปแล้วไอตัวนี้ยังอยู่แต่จะต้องอยู่กับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะ่ะเปรียบเทียบเหมือนกับใบบัวกับดอกบัวเนี่ยนะะเกิดมาจากไหนเกิดมาจากขี้ตมเกิดมาจากน้ํานั่นแหละแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่เปื้อนกันโอเคเช่นเดียวกันจิตของเรานะเอา้าคุณมารับรู้เรื่องนี้ได้ไงจิตของเราเนี่ยไปทําหน้าที่วิญญาณมันก็แปดเปื้อนด้วยสิ่งที่มากระทบ อาแตม่มันหลุดพ้นมาได้แล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่กับไอ้สิ่งนั้นนั่นแหละอยู่กับขันห้านั่นแหละแต่ว่าขันห้าไม่มาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ า, ถาจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นตัวกั้นระหว่างกลางที่ที่จิตมันจะไปรับรู้สิ่งนั้นขันห้านี่นะนะแต่มันไม่ทุกข์กันเนี่ยตรงที่มากั้นระหว่างกลางก็คือมรแปดโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกโดยเทคนิคก็คือดำรงอยู่ด้วยมรแป8 <c oughs> ไม่ไปแปดเปื้อนกับสิ่งที่มากระทบ ถามว่ามันเป็นคนละดวงกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ในคำตอบนี้ก็คือไม่ใช่มันก็ดวงเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสภาวะการทํางานมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยมักแปดที่มีอยู่ในใจค่ะ <c oughs> เ อ, อ่อ ถ, ถ้าถ้าฟังอุปมาอุปไม้ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเข้าใจได้นะคุณยมติวนะ <c oughs> ว่าใบบัวหรือดอกบัวเกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ําแต่พอมันโตมาแล้วขี้ตม้ต ม, ตมกับน้ํามันก็ไม่แปดเปลื้อมันได้คำว่าพ้นจึงตรงนี้กำว่าดารงอยู่จึงหมายถึงตรงนี้อืฮึแล้ว คำถามต่อไปค่ะแปลว่าจิตรู้แจ้งกับสติตลอดเวลาใช่หรือไม่แต่ไม่ทั้งหมดถูกไหมคะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายว่าสภาวะจิตของผู้บรรลุนิพพานแล้วเป็นอย่างไรดํารงอยู่อย่างไรจิตตั้งอาศัยอยู่ในขันใดหรือไม่อันนี้เหมือนกันไหมคะเออก็คือว่าคําว่าขันเนี่ยที่นี้เนี่ยถามว่ามีความสุขไหมมีความทุกข์ไหมมีผัสสะไหมมีเวทนาไหมมีการคิดปรุงแต่งไหมตอบว่ามีหมดเลย แต่ย่งแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังคิดว่าเออวันนี้จะเดินทางไปไหนท่านพระมหาโมกขันทท่านพระสารีบุตรก็ยังคิดว่าจะต้องเทศอย่างไรอันนี้เป็นการปรุงแต่งอันนี้เป็นการคิดอันนี้เป็นสังขาร น, นี้เป็นสัญญาทั้งหมดแน่นอนอั น, นนี้คือคือมีขันห้าอยู่แต่ขันห้าเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์กับท่านแล้วอั น, นนี้คือท่านก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะดำรงอยู่ด้วยมรรคแปแล้วก็ไปรับรู้ขันทั้งหลายทั้งหลายอยู่พระอาหารหันต เออเจ็บป่วยไหมก็เจ็บป่วยเหมือนกันเจ็บป่วยตามแขนตามขาแล้วมันเมื่อยไหมมีไหมเจ็บไหมก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าไม่ทุกในใจค่ะถามว่าสภาวะนี้มันจะเป็นอะไรมันก็คืออยู่ด้วยสติอยู่ตลอดเวลามีมั่งแปดอยู่ตลอดเวลาค่ะลักษณะสภาวะจิตของผู้บรรลุนิพพานแล้วเป็นอย่างไรในที่นี้ก็คือเป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ถูกต้องค่ะไม่มีความทุกข์ เพราะว่ามันไม่มีตันหาค่ะทีนี้ในในเรื่องที่อธิบายกันมานี้เนี่ยคุณยมเตี้ก็คือเราต้องดูความเป็นเหตุเป็นผลนะว่าอ๋อจะได้ผลอย่างนี้ก็สร้างเหตุเหตุยังไงก็อย่างที่ว่าว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอันนี้สําคัญที่จะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้คุณต้องรักษาศีลให้ดีพอคุณรักษาศีลให้ดีเห็นความไม่เที่ยงนั่นคือเห็นตามที่เป็นจริงจิตก็จะเริ่มมีความหน่ายมีความกายกําหนัดทีนี้บางทีเรา ทำปฏิบัติทำไปเนี่ยฉันนั่งหลับตาฉันมาดูลมหายใจเออบางทีก็เห็นลมบ้างบางทีก็ไม่เห็นบ้างเออเห็นความไม่เที่ยงแล้วอันนี้ดีแล้วนะแต่บางทีมันอาจจะยังไม่พอไม่พอที่จะไม่เกิดความหน่ายตรงนี้สําคัญนต่เพราะว่าบางทีเราทําไปทําไปเอ้ยมันยังไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนสัทีอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเรายังทําไม่มากพอสติยังไม่มีกําลังพอสมาธิยังไม่มีกําลังพอจนกระทั่งจะเห็นความหน่ายคลายกําหนัด ปล่อยวางดับไม่เหลือได้อาจจะเห็นในบางส่วนวบๆแวบๆในบางด้านบางบางบริเวณบางบริบทแต่ยังไม่ทุกๆเรื่องแต่ประเด็นตรงนี้ก็คือทักษะที่เราจะต้องอาศัยในการพัฒนาแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะก็คิดว่าเพียงพอแก่การทำความเข้าใจให้กับคุณแค t l o c a l กับท่านฟังที่ได้รับฟังรายการอยู่นะคะอันนี้เป็นคาถามที่ถือว่า ถามถึงปลายทางเลยถูกไหมคะใช่ใชตอนที่หลุดพ้นเลยเพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ตรัสตอนไหนคะเนี่ยเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่นะคะเออตรัสตอนไหนคือหมายถึงว่าช่วงไหนของชีวิตของพระพุทธองค์คะอ๋ออันนี้ไม่ทราบกันไม่ได้ระบุเอาไว้แต่นั่นแสดงว่าอ๋อท่านเป็นผู้เจ้า <laughs> มาตั้งแต่ <laughs> ใช่ตั้งแต่ ก็ตั้งแต่ตรัสรูสร้ธรรมใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสอนเนี่ยก็จะสอนเรื่องเนี้ยขันห้าเรื่องของมรรคแปเพราะฉะนั้นในบทปัญชนะตรงนี้ในพระสูตรเนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์คือคือเราดูเนี่ยจะเห็นอริย ส, สัจสในข้อมูลตรงนี้หมดเลยในะเหตุหเกิดทุกข์กตัญหามทําให้จิตเราไปยึดถือนะตัวทุกเองกันห้าเองอันนี้พูดอยู่แล้วชัดเจนในพระสูตรนี้วิธีการที่ทําให้อ่าให้หลุดพ้นได้ก็พูดถึงความไม่เที่ยงนะพอหลุดพ้นแล้วก็อธิบายตรงนี้มา ทุกสมุทไทยนี้รถมากมีอยู่ในพระสูตรสั้นๆตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะารายการนี้ให้ทั้งความรู้พื้นฐานแล้วก็ให้ทั้งคําสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นแหมเสียดายจังเลยเวลาจะต้องลาซะแล้วจะมีคําถามพื้นๆอยากจะกลาบเรียนทานท่านอีกติดไว้ตอนต่อไปก็แล้วกันนะค ะ, ะยอดมากกลางวันชการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ท่านฝันที่ครบคันและนั่นก็คือพระมหาไิบูลอภิปุญโนนะคะวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีก็มาทำให้พวกเราได้เข้าใจเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นระหว่างที่ไม่พบกัน2สาอาทิตย์นะคะท่านก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันต่อไปวันจันทร์กลับมาพบกับรายการสันสนีสนธนาดเนินรายการโดยสันสนีทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟรได้ใหม่ก็มา ร่วมกันปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนต้นของรายการพร้อมๆกับฟังคำสอนไปด้วยวันนี้ลากันเป็นเพียงเท่านี้นะคะพะทุทวสสวัสดีค่ะ